จากมาแสนไกลตั้งใจศึกษาเพื่อวันข้างหน้าจะเอาความรู้ไป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 ให้ฉันได้ก้าวไปถึงฝั่งฝันที่ฉันมุ่งหวังนังใจต้องการเป็นความภาคภูมิจากรู้ว่าม่วงเหลืองก้าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดำคูตนต้นโตนสู่แดด ช่อนั้นแ่งบ้านงามตามจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรม น้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถาบัน คุณนาทันอบนำสู่การศึกษาส็บนิ้วก้มลองวันทาสาัทธา ที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่านโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับในช่วงสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำในในช่วงนี้นะครับมีปัญหาน้ําท่วมกันหลายพื้นที่เลยทีเดียวจากผลกระทบจากพายุคมป่าชู นะครับซึ่งไหลผ่านโดยเฉพาะแถวภาคอีสานนี่แถวโคราชนี่ก็กระทบกันกันหนักนะครับนะโดยมีการรายงานบอกว่าแถวโคราชโดยเฉพาะในเขตเมืองเทศาบาลนครโคราชขอละสีมานี่ปริมาณ น, น้ำจากลำตะคองนะครับท่วมสูงเลยครับโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราชนะครับก็ท่วมกัน เป็นเม็ดแล้วครับรอบๆโรงพยาบาลต้องมีการ น, นำกระสอบทรายไปถมไปกั้นน้ำนะครับแล้วก็มีชุมชนต่างๆที่อยู่รอบๆนะครับแถวโรงพยาบาลแล้วก็แถวหลังโรงพยาบาลเซนต์แมลลี่นี่ก็ท่วมกันเป็นเม็ดเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะหมู่บ้านชุมชนต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆลาตะคองนี่แหละครับนะก็ ถือว่ากา็ได้รับผลกระทบกันอย่างหนักเนะจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยนะฮะ จ, จะเป็นการใช้เรือละครับนะไปไปช่วยเหลือชาวบ้านแจกใจอาหารอะไรต่า ง, างๆก็เอาใจช่วยพี่น้องแถวโคราชนายวิเชียนจันทระโนมัยผู้วา่าของโคราชก็เปิดเผยว่าตอนนี้หมือนน้ำก้อนใหญ่ก็ไหลมาถึงเขตเทศบาลเมืองนะฮนะเทบานครนครราชสีมาก็จะส่งผลกระทบ เพราะฉะนั้นนี่ก็เร่งให้หน่วยงานต่างๆเข้าไปทําการช่วยเหลือก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันกว่าน้ําจะลดละครับนะแล้วก็ปริมาณน้ําในเขื่อนลําตะคองที่อำเภอศรีคิ้วก็อยู่ที่315ล้านลูกบาทเมตรก็คิดเป็น 100% ก็เต็มความจุของเขื่อนนะครับก็ถือเต็มความจุแล้วซึ่งตอนนี้นี่ก็เขื่อนในลําตะคองก็ยังไม่ได้ระบายน้ํา ออกจากเคลื่อนนะครับนะเพราะว่าก็กลัวจะได้รับผลกระทบนะจากชุมชนท้ายน้ำเพราะฉะนั้นี่ตรงนี้นี่ก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรายังมีอีกในหลายพื้นที่นะครับแถวชัยภูมินี่ก็หนักเหมือนกันนะครับเจอพายุโคละชูนะก็มีอ่างเก็บน้ำลำคันฉูที่บำเน็ตนลงชัยภูมิกดล้นสปินเว์ลงมา นะครับนะแล้วก็ทําให้ท่วมบ้านเรือนอของชาวบ้านนะครับแถวตําบลหนองโดนแล้วก็กุดน้ําใสนะครับก็เป็นการท่วมรอบที่สองชัยภูมิก็ถือว่าหนักละครับนะแล้วก็จะมาท่วมในในเขตเมืองด้วยเหมือนกันนะซึ่งตรงนี้ก็เสียหายหนักในหลายอําเภอไม่ว่าจะเป็นภูเขียวกเกษตรสมบูรณ์จตุรัดนะบําเน็ตตะลงเทพสถิตบ้านข้าว นะครับนะก็หนักเลยก็จะอยู่แถวภูเขียวแถวกเกษตรสมบูรณ์ล่ะครับเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยไหลทะลักลงมาท่วมในเขตเมืองนะสถานที่ราช ก, การอะไรก็ถือว่าหนักนะครับแล้วก็พื้นที่ไรนานี่กระเสียหายเกือบห้าหมื่นไะร่ชาว บ, บ้านได้รับความเดือดร้อนแถวบุรีรัมนีก็แถวแถวอำเภอแคนดงล่ะครับนะแถวแถวริมแม่น้ำมูลนะก็จะเสียหายกันหนักเหมือนกันแถวบุรีรัมไม่ว่าจะเป็น ไล่มาตั้งแต่พุทธสง์คูเบืองแคนดงสตึกนะครับก็มีน้ำไหลท่วมพื้นที่เกษตรนะครับก็ไล่ไปและครับตั้งแต่โคราดบุรีลมสุรินศรีสะเกตอุบล น, นะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะในส่วนของอภาคเหนือภาคใต้นี่ก็เจอเหมือนกันภาคตะวันออกในแถวจันทบุรีแถวตราดนี่ก็หนักนะครับนะ้กระท่วมกันเป็นเม็ดเหมือนกันก็คงจะต้อง มีการบริหารจัดการน้ำนะครับนะต้องมีการศึกษานะครับนะทำระบบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำให้ดีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในตามเมืองใหญ่ๆในบางครั้งเนี่ยมักจะมีหมู่บ้านมาลงงานมาสร้างขึ้นมานะการทางน้ำก็จะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของของของการไหลของน้ำเหมือนกันคงจะต้อง มีการวางแผนกันในระดับโครงสร้างระดับใหญ่แล้วครับนะเพราะว่าปีนี้นี่ก็ถือว่าก็ท่วมหนักนะหลายหลายพื้นที่เนี่ยบอกว่าในรอบสิปีก็ถือว่าหนักแถวแถวในส่วนของโคราชนี่ก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะเพราะคงจะต้องอมีมาตรการกับที่จะมาะป้องกันนะตอนนี้นี่ก็คงจะต้องเฝ้าระวงังแถวแถวกรุงเทพแหละครับเพราะน้านี่จะไหลไปถึงกรุงเทพนะก็คงจะต้องดูนะครับนะปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของการน้ำน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณอรอบๆกรุงเทพนี่แหละครับนะมาดูเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำนี่ก็จริงๆแล้วก็มีโครงการที่จะมีการผันน้ํากันนะครับจากแม่น้ําโขงเข้ามาตามแม่น้ําสาขาต่างๆนี่ก็เป็นโครงการในระยะ ายาวที่วางกันไว้ก็มีทั้งส่วนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คงจะต้องดูแลครับนะว่ามีผลกระทบหรือไม่คือแม่น้ําโคงนี่ก็มีการขึ้นลงรวดเร็วนะครับนะเพราะว่ามีเขื่อนอกั้นแม่น้าโค้งอยู่หลายเขื่อนนะครับนะแล้วก็ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าต่างๆบางครั้งนี่การขึ้นลงนี่ก็ไม่ไม่เป็นเวลาส่งผลกระทบได้เหมือนกันนะครับนะโดยเฉพาะเกษตรก ร, ะกรนะครับที่อยู่ ริมแม่น้ำนะครับนะเราก็จะเห็นว่ามีการมีโครงการใหญ่ๆกันขึ้นมากันผ่านน้ำจากน้ำโขงมาที่ขุนยวมก็ดีหรือว่าการผ่านน้ามามีโครงการใหญ่โค้งชีมูลนะก็พูดกันยาวนะครับนะคงจะต้องดูว่าจะมีผลกระทบอะไรต่างๆกันหรือไม่ลฟังเพลงสักเพลงครับก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ กับมาพูดมาคุยกันต่อในช่วงนี้นี่ เ, เกี่ยวกับ เ, เรื่องของโควิดดีก็ยังยังมีระบาดกันในหลายพื้นที่อยู่นะครับนะถึงแม้ว่าจะลดลงแต่ว่าก็ยังอยอดของการการระบาดยังหนักอยู่ในในส่วนของภาคใต้นี่แหละครับนะจากการเปิดเผยของแพทย์หญิงสุมาณีวัชรินนะครับ ว, วัชรลัศิลป์ผู้อำนวยการสํานักสื่อสาร ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของกรมควบคุมโรคก็ในฐานะผู้ช่วยโฆษกสบคก็แถลงที่ทำเนียบบอกว่าตอนนี้เราพบผู้ติดเชื้อใหม่ประมาณแปดพันเก้าร้อยรายนะครับนะเสียชีวิตเพิ่มกเจ็ดสิบเก้ารายนะซึ่งตรงนี้นี่ก็มีการกระจายกันไปในหลายหลา ย, หลายพื้นที่แต่ก็ยังพบมากที่สุดแถวกรุงเทพนี่แหละครับนะซึ่งภาคใต้นี่ก็มี ผู้เสียชีวิตเสูงนะครับประมาณายี่สิบรายแล้วก็ผู้ติดเชื้อสะสมนะครับนะก็มีจํานวนสูงตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 1, 8, 101, ล้านแปดแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันรายนะครับแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปีหกสามเป็ต้นมาเนี่ประมาณหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบหกรายนะครับแล้วก็ในขณะที่ เรามีมียอดของการฉีดวัคซีนรวมกันนะครับตอนนี้นี่ก็ถือว่ามีการฉีดวัคซีนสะสมประมาณ67สล้านโดสแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นจํานวนมากนะก็ก็เอ า, าจะเป็นข่าวที่ดีล่ะครับเต่พะจะช่วยในการที่จ ะ, ะป้องกันโควิดได้นะสิ่งที่เรากังวล น, นะก่อนที่เราจะเปิดประเทศและนอกจากนี้แพทย์หญิงสมณีก็บอกว่าตอนนี้มีอยู่10จังหวัด ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันที่20ตุลาคมนะซึ่งก็ไล่ไปตั้งแต่กรุงเทพยะลานะปัตตานีสงขลาสมุทรปราการชนบุรีเชียงใหม่ดาราธิวาสนะครศรีธรรมราชจันทบุรี10จังหวัดนี้ก็กระจายอยู่แถวสุภักใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับก็แสดงว่าต้องควบคุมแถวภาคใต้ให้ความสำคัญภาคใต้นะครับนะเป็นเป็นหลัก กับพอนตรงนี้นี่คงจะต้องดูนะครับและนอกจากนี้นี่ก็ทางอยเริ่มมีการขายชุดตรวจหาเชื่อแบบเอทีแล้วนะครับนึชุดละ40บาทที่ร้านค้าร้านขายยานะครับขององค์การเพศสัตว์เพราะนั้นก็ไปซื้อกันนะมาตรวจกันเองนะีก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการป้องกันโรคนะก็ต้องช่วยกันนะครับแนตะ่ว่าตรงนี้คงจะต้องมาดูนะก็หวังว่าในส่วนนี้การ าการระบาดนี่ก็น่าจะลดลงแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในี่ยการกาดอย่าตกนะครับต้องระมัดระวงังโดยเฉพาะการใส่แมสตนะครับนะการสวมใส่แมสนี่สำคัญนะไปไหนมาไหนแล้วก็โดยเฉพาะงานที่มักจะพบการติดการติดเชื้อกัรระบาดมากก็จะเป็นงานศพงานบุญงานต่างๆนี่นะครับทนะายาทนี่คงจะต้องระมัดระวังท่านที่ อ, ออกพรรษากันแล้วนะครับนะวันนี้ออกพรรษาไปทําบุญนะครับเราบางคนไปงานกระถิน ก็ต้องระมัดระวังกันกันด้วยนะครับนะเพราะาในที่ที่ชุมชนแอบจํานวนมากเนี่ยจะต้องใส่แมส์นะป้องกันให้ดีนะครับเพราะว่าการระบาดนี่ก็ยังยังมีอยู่นะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะครับนะก็ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดได้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าก็จะทําวัคซีนนี่ช่วยให้อาการเนี่ไม่หนักนะแต่สามารถที่จะรักษา ได้หายแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้รับรองว่าจะต้องอะจะต้องปลอดภัย 100% นะครับต้องต้องระมัดระวังนะครับในการที่จ ะ, ะการการดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยนะครับนะเพราะหลายๆพื้นที่นี่ก็เราจะเห็นว่ามีการร ะ, ะบาดกันอยู่นะโดยเฉพาะคัสเตอร์ที่เป็นงานศพนะครับเนะี่ยก็มีหลายจังหวัดที่สถานท่องเที่ยวประกาศปิดกันนะครับนะเชนะนะียงใหม่นี่ก็ได้รับผลกระทบ นะมีการปิดเหมือนกันนะครับนะพอมีคัสเตอร์งานศพหรือแม้แต่ที่พูทเบิกที่เพชรบูรณ์ในประกาศปิดในบางหมู่บ้านก็จเจอกันที่พอคัสเตอร์งานศพนี่แหละครับนะก็กระจายกันไปในหลายๆพื้นที่นะ ท, ท, ที่ต้องร ะ, ะมัดระวังเลยทีเดียวนะครับนะว่าจะทำอย่างไรกันกันบ้างนะครับในส่วนของอกลุ่มรถบรรทุกนี่ก็มีการเรียกร้องให้รัฐบาลลด ราคานะ้ำมันดีเซลนะครับให้มาเหลืออยู่ลิตรละยี่สิบ้าบาทเพราะตอนนี้นี่สาสิกว่าบาทก็ถือว่าขาดผู้ประกอบการก็อยู่ในสภาวะที่ขาดทุนนะไม่สามารถที่จะวิ่งรถโดยสารได้ก็มีการชุมนุมมีการเรียกร้องกันนะซึ่งในส่วนของรัฐบาลก็บอกว่าจ ะ, ะตึงราคาให้ลิตรละสามสิบบาทนะว่าอย่างนั้นนะครับนะคงจะต้องดูนะเพราะว่า ดีเซลนี่น้ำมันดีเซลก็เป็นถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่นะเพราะว่าในส่วนของในหลายหลายบริษัทกิจการเกี่ยวกับเรื่องของการเดินรถการขนส่งนี่ต้องอาศัยน้ำมันเป็นหลักแหละครับนะน้มันถ้าน้ำมันแพงนี่ก็ทำให้เกิดการขาดทุนได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่ก็เป็นเป็นข้อเรียกร้องนะแล้วก็มีการเปรียบเทียบราคาน้ามันจากไทยกับประเทศ เพื่อนบ้านในเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านนีนราคาจะถูกกว่าเรานะครับโดเฉพาะแถวมาเลเซียเนี่ยนะครับก็จะถูกกว่านะครับเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าเรามีระบบของอัต่าภาษีนะเก็บภาษีน้ํามันในเข้ากับกองทุนน้ํามันนะครับนะมีการมีการตั้งกองทุนกันขึ้นมานะครับนะที่ให้กระทรวงพลังงานดูแลมีการเรียกร้องว่าจะต้องมีการลดส่วนนี้หรือไม่นะครับเพื่อให้ ราคาน้ํามันนี่ถูกลงเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้คงจะต้องคงจะต้องดูนะครับนะว่าในหลายๆส่วนนะครับนะก็มีการเรียกร้องกันเราก็จะเห็นนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงดูเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนี่เป็นเรื่องสําคัญล่ะครับนะหลายคนก็เริ่มที่จะมาใช้พลังงานแสงอาทิตยินะระบบไฟฟ้าเข้ามาอย่างเช่นในสวนเกษตนระ โคกหนังนาโบเดลเกษตรผสมผส า, านในมีเริ่ม ม, มีการใช้แผงโซลาเซลล์มานะครับนัเครื่องสูบน้ำนะเข้านาบ้างนะครับนะหรือว่าใช้แสงสว่างนะก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับนะมาทดแทนนะพลังงานหลักนะแล้วก็ใช้ได้เองเนี่ยก็มีคนนินยมนะใช้พลังงานแสงดิตโซลาเซลล์กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคงจะ คงจะต้องมีระบบที่มีการจัดการให้ให้ดีเหมือนกันนะครับนะก็อาจจะใช้พลังงานลมด้วยนะพลังงานหลายๆพลังงานที่จะมาใช้ในการในการทําพลังงานทดแทนนะครับนะคงนี้คงจะต้องให้รัฐเนี่ยเข้ามาส่งเสริมกันอย่างอย่างจริงจังก็จะเป็นสิ่งที่ดี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 อ ใ, ใจถึงแม้เมืองไทยจะถูกปิดล้อมด้วยความสิ้นหวังย้อนมาเธอนี้ ยังบอมีสิทธิ์ยากงานก็ยากนี่ก็ยังหลายคิดได้แต่คิดเห็นข้าวคนตายคนตีก็เพลอคิดไอสิรอดบอคลิปคนรอมอเข้าคิวต่อจนล้นโรงพยาบาลไอซียูบอพอ รับงานโ้ยรัฐบาลจังได้ดีนองศรุรามโควิดต้องพิชิตด้วยยากับหมอเอาใจซอยเดินอย่าได้ทอ้อร่วมมือคุณหมอสู้ภัยเต็มที่ต้องรอต้องรอ ต, อรอตายกอดความคิด กันตายต้องไว้ต้องไว้เพื่อสิกลับไปสูนคิีคนดีชวนเพื่อนคนยากต้มน้ำกระชายประคองชีวีเสพกายจนจนคนนี้ให้รอดกลับไปกอดเธอ ลใครสิอยู่บ่พอรับงานโอ้ยรัฐบาลจังได้ดีนอสงครามโควิตต้องพิชิตด้วยยากับหมอเอาใจซอยเดิมอย่าได้ทอ้อร่วมมือคุณหมอสู่ภัยเต็มที่